ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รมพระพุติยานได้นำเสนอเหตุการณ์อนิมิตเจตีที่พระพุทธเจ้าหลังจากสัตรุประทับสวยวิมุติสุขอยู่ที่ต้นโพครบเจ็วันแล้วก็ได้เสด็จมาประทับยืนเพ่งดูต้นโพหรือโูที่บรหลังเรือสัตตพุึก โดยไม่กระพริบระเลยตลอดเจ็วันตรงนั้นได้ชื่อว่าอนามิตเจดีก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ควรแกาการครบสาการาของพุทธบริษัทอีกแห่งหนึ่งจะน้อมน้อมลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ต่อจากนั้นก็ได้ทรงนิรมิตสถานที่จงกรม ระหว่างอนิวิสเจดีกับโพธิบลังก็เสด็จจงกรมไปไปมามาสิ้นระยะเวลาถึงเจ็ดวันก็แสดงให้เห็นถึงริยบ ท, ที่ทรงใช้นะสัปดาห์แรกอยู่ในริยบทนั่งสัปดาห์ที่สองอทรงอยู่ในริยบทจืน สัปดาห์ที่3มทรงอยู่ในริยบทเดินคือเสด็จพุทธเนินจงกรมก็เป็นการบริหารในส่วนร่างกายเพราะว่าพระไัยของพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาใดที่จะต้องบริหารแต่แนวการจงกรมนั้นเป็นแนวการปฏิบัติกรรมฐานคือกรรมฐานตามปกติแล้วก็ใช้ธรรมะหลักในสามข้อคือสติ ทรงใช้คำว่าสติมาแปลว่ามีสติคืออยู่ยังมีสติใช้อารมณ์อยู่กับปัจจุบันไม่ให้สายไปสู่อนาคตหรือสู่ไปไสู่อดีตก็พยายามควบคุมสร้างตั้งสติระลึกรู้อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานประเภทต่างๆในการต่อมาก็จำแนกออกไปเป็นสี่สิบอารมณ์ด้กัน สิ่งเหล่านั้นอาจะเป็นกุศลแกุศลแะกลางๆส่วนใหญ่จะเป็นกลางๆ ก, กับเป็นกุศลธรรมก็จ ะ, จะนําจิตให้สงบได้ง่ายส่วนอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั้นจะทํายากแล้วก็สัมป ช, ชัญญะหรือสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นอาการของปัญญานั่นเอง ซึ่งหาจจะพบชื่อต่างๆเรียกแตกต่างกันออกไปแต่แนวของสัมปชัญญะนั้นก็มีหลักอยู่ว่าจะต้องอาศัยการฝึกปลืออบรมศึกษาและเรียนให้แยกแยะชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ถึงจุดที่ละเอียดเนี่ยก็คือการเดินกรรมฐานเนี่ย คือจิตเป็นเหนียวนึกอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นอุปการะต่อการเจริญกรรมฐานก็ถือว่าเป็นประโยชน์ถ้าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญกรรมฐานก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์เพราะในภาคสนามเวลาเจริญกรรมฐานจริงๆมันเอานิยายไม่คขอยได้เหมือนกัน บางทีขึ้นอยู่กับสภาพจิตในขณะนั้นบางทีเขก็วิ่งไปทางวิปัสสนาไปพิจารณาสังขารตัณฑ์ของไปัญญาลั ก, ก็ไปเลยให้ไปก็ไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บางครั้งไปเนียวนึกจุดนึกแล้วมันไปเพิ่มการมาราคะเพิ่มตัณหาขึ้นมาบางทีนี่คล้ายๆกับจะ ด, ดีเ อ, อเช่นว่าเป็เน้นที่นิมิตเป็นเน้นที่ปิติอยากก็ได้นิมิตอยากได้ปิติไอ้ออยางงี้ไม่เป็นคุณต่อการเจริญกับมาา้สาร เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความอยากนะจะเป็นอุปสรรคต่อสมาธิเพรตัวกิเลสคือความอยากนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิอืดตรงมันจิตมันต้องแยกแยะออกไปให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ในข้อต่อไปรียกว่าโคจารสั ม, มชัญญา ก็นเน้นทั้งสองเรื่องนะเรื่องในชีวิตประจำวันสถานที่ที่ควรไปหรือไม่ควรไปเขาเรียกโครจรแปลว่าไม่ควรไปหรือโครจรก็ควรไปแต่ว่าที่จริงโครจรหรือโครจรมันก็อยู่ที่เขาเป็นใครด้วยนะในรายละเอียดเนี่ยคือเขาต้องเป็นใครด้วยคือสรุปก็ไปในสถานที่ใดก็ตามกิเลสที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้ น, นก็ไม่ควรไปในสถานที่นั้น ไปในที่ใดก็ตามที่กิเลส ซ, ซึ่งยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเสื่อมถอยไปเนี่ยก็ควรไปในสถานที่นั้นนั้นก็มีความชัดเจนนะฮะถ้าเรามองโดยสรุปอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจอะไรชัดเจนก็ไม่ต้องไปนับอะไรมันหรอกอาศัยการทําความเข้าใจแล้วประการต่อไปนั้นก็คือขณะของจิตที่คิดอารมณ์ เขาเรียกเราลงมีวิตกคือความสึกนึกความเดี่ยวนึกก็ท่นานฟังลองสังเกตว่าความคิดของเราเนี่ที่จริงมันมีอยู่สองกระแสหลักกระแสที่เป็นกุศลกระแสที่เป็นอกุศลมันก็เข้าในสูตรเดิมเหมือนกันคือบางครั้งไปเนเี่ยวนึกตึกนึกถึงสิ่งที่เราใค ร, ร่ด้วยอำนาจของความใคร่ เรื่องเหล่านั้นที่นำมาคิดอาจจะเป็นเรื่องผ่านมาแล้วเรื่องที่อยากได้ในอนาคตเรื่องที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในปัจจุบันก็ได้มมไเขาเรียกว่ากามปุจจคติจนึกอย่างนี้ไม่มีทางที่จะให้จิตสงบได้เพราะเกียบมันจะฟูขึ้นแล้วก็สมาธิมันก็จะแตกความสงบก็จะไม่เกิดประวัติกรรมฉันมันจะเกิดแทนแล้วก็ บางครั้งก็เหนียวนึกจึกนึกถึงคนที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบด้วยความมาคาดพยาบาทด้วยความาคาดมานร้ายก็พิจารณาเห็นโทษแล้วก็บันเทาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มองในแนวบันเทานะตอนตอน้ตนๆเ น, นี่ยก็ไปสู้ก็จริงไปทาลายก็จริงไปทำลายยากเราลดความรุนแรงของเรื่องเหล่านี้ออกไปแล้วก็วิงสาวิตตอความเหนียวนึกจึกนึกในเรื่องที่จะเปียน ต้องการความสะใจต้องการความบันแตลองสังเกตดูข่าวคราวหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีลักษณะของวิหิงสานี่เยอะแสดงอาการพลังอำนาจของตัวเองก็นนึกว่าตัวเองเก่งนะฮะที่จริงมันเป็นการพ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อความริสยาความวิหิงสาคือเบียดเบียนดุส ย, ยารับ เรก็มองเห็นโทษและพยายามบัรเทาทีนี้ความคิดบางอย่างเนี่ยควรประคับประคองรักษาแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นแต่นพิจารณาเห็นโทษของกรรมทั้งวัตถุกรรมทั้งกิเลสกรรมและเห็นโทษมาทั้งสองอย่างก็พยายามรักษาจิตเอาไว้แล้วก็เพิ่มพูนความคิดเนีห้สูงขึ้น ความคิดในทํามนองเมตตา ก, กรุณาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายก็เรียกอภัยบาตรอย่างน้อยนี่คือไม่พยาบาตไม่เก็บความโกรธความไม่พอใจการกระทบกระทั่งกันในอดีตเข้ามาเหนียวนึกสึกนึกในปัจจุบันแล้วก็อาวิหิงสาวิตรึกนึกนถึงคนอื่นด้วยความกรุณาเห็นคนเขาประสบความทุกข์ก็ต้องการเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความกรุณา มันต้องฉลาดดูจิตดูจิตแกว่งไปทางไหนทางไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องจะตบกลับมาก็อจะดูแล้ใกล้ๆคนขับรถเนี่ยนะคือฉลาดไปไซ้ายไปขวาเนี่ยมันก็ต้องกลับมาอยู่ตรงกลางให้ได้ตัวนี้ก็เรียกโคจรสัมมชัชย์ยาคือฉลาดฉลาดในโคจรคือทางดําเนินของจิตแล้วก็สบายสัมมชัชย์ยาคือรู้วอะไรสบายหรือไม่สบาย เกื้อกูลต่อการทําจิตสงบหรือไม่อาหารเป็นยังไงที่อยู่เป็นยังไงธรรมะเป็นอะไรบุคคลเป็นยังไงจะเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติหรือไม่จะมีการสังเกตมีการตรวจสอบสิ่งเหล่า น, นั้นบางครั้งเราอาจจะมีปัญหาที่ท้องไส้ของเราเองหรือมีปัญหาที่อาหารอาจจะมีปัญหาจากคนอื่น อาจจะมีปัญหาจากอากาศซึ่งมาเสียดแทงอาจจะมีปัญหาจากกรรมฐานซึ่งไม่ถูกอา ร, รมณ์เราก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องเข้าถึงคือมีพลังมากพอที่จะเป็นอสัมโมหะส ม, มัยจันยะคือไม่หลงได้แก่ขจัดความหลงออกไป แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นความเพียรพยายามทั้งทางกายทางจิตแต่ว่าเน้นไปที่จิตนี่เป็นเรื่องใหญ่ตัวโครงสร้างโดยเนื้อาหารจริงๆก็คือป้องกันบาปกขจัดบาปแล้วก็เพิ่มพูนความดีรักษาความดีแนวกรรมฐานก็คือแนวภาวนาแนวเพิ่มพูนความดี เกิดใจความดีล้นดำเดินไปได้หลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ใช้ในกรณีทั้งปวงคือไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงสมบูรณ์หมดแล้วท้งการจงกรมสเสด็จจงกรมก็เป็นการสเสด็จจงกรม อาจจะถือเป็นเนติบแบบอย่างก็คนทั้งหลายแล้วก็เป็นการบริหารโทรกายของพระองค์ด้วยทีนี้การจงกรมนั้นก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของการกรรมฐานคือเราจะใช้บทยืนเดินนั่งนะฮะก็ไม่ใช้นอนใช้นอนใช้ระยะสั้นๆเนี่ยก็ได้หรือใช้ระยะยาวแล้วมันก็จะหนักไปในทางหลับก็ไม่ควรจะเสี่ยงในตอนตอน้ตนๆเนี่ยก็ยืนเดินนั่งนอน การจงกรมว่าเดินอย่างไรคือถ้าเรามองในแนวที่ท่านไปศึกษามาจากพ่อมาที่แนวนอนๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีจังหวะเยอะตั้งสติระลึกคุมอยู่ที่จังหวะซึ่งเหยียดออกแล้วก็เหยียบลงก้าวไปแล้วก็เหยียดอะเหยียดออกแล้วก้าวไปแล้วก็เหยียบลงอะไรลงก่อนลงหลังนี่ก็ดูกัน ย่างนอเหยียดนอยกนออะไรต่อะไรเนี่ยคือมีนอเข้ากำกับก็เป็นวิธีฝึกให้มีสติกำกับในระยบททั้งหลายคราวมาคราวเราก็มาเถียงกันว่าไม่ใช่วิธีที่จริงมันก็คือแนวสมจาจารยดญาติปภะแนวที่สรงแสดงไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะคือท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนา ถาวิปัสนามันน่าจะเป็นวิปัสนาตอนหลังไม่จะไเป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสนาตอนแรกนะจะดูเกิดดับดูความเกิดดับของนามรูปพิจารณาหตามกฏของประรลักษณ์มันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังในช่วงแรกก็เป็นการเรื่องตั้งสติระลึกโดยจิตสงบอยู่กับวิดยาบทที่ทําในขณะนั้นๆที่เคลื่อนไหวไปในขณะนั้นๆ แต่ว่าที่ครูบาอาจารย์โดยทั่วไปที่เคยพบโดยทั่วไปเรื่องนี้ก็ยังยังไม่เคยพบในคำพี่ใหญ่ก็เป็นการเดินโดยมีสติสตินั้นจะกำกับอยู่ที่อิบอเดินก็ได้นะกำกำับกำกับอยู่ที่จิตก็ได้เพราะตัวสงบจริงๆคือจิตเพียงแต่ว่าอารมณ์ที่กรรมาฐานดีมันเกิดขึ้นจากการเดินรงกรมเนี่ย พระเจ้าทรงยกย่องสัรเสริญว่าจะช่วยให้การเจริญกรรมฐานของบุคคลเหล่านั้นน่ะมันดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็ตัวกรรมฐานเองตัวสมถกรรมฐานเองนะฮะจะมีความสงบหนักแน่นมั่นคงคราวนี้ทรงแสดงไว้ในปัญจกาิบาทอังคุตติกายถึงอันิสงของการเดินจงกรมนีนห้าประการ ก็แรกเรียกว่าอทานนักขโมโหติจนตนต่อการเดินทางไกลคือชีวิตพระเราสมัยก่อนนะสมัยก่อนท่านจะเดินอยู่เรื่อยแบบพระเดินรงกลมจาริกไปเรื่อยตลอดไปเรื่อยแบบนกกระมิ่นเลี้องอ่อนแต่ในการต่อมามันก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เราไปอย่างนั้นประเดี๋ยก็ถูกจับ เวลานี้ก็จับได้นะฮะถือว่าไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งไม่สังกัดว่าใดบ้าหนึ่งเนี่ยเขาจับสึกได้เลยก็อย่างประลบกันดูว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยใบการบัญทอนหลักการครองชีวิตแบบสมณะเพราะสามะที่จริงไม่ควรจะข้องติดไม่ควรจะยึดติดเป็นของเราเป็นเป็นเราเป็นตัวตนของเราไว้มากเกินไป แล้วโครงสร้างก็กฎหมายก็พยายามสร้างให้ยึดติดอยู่ในเรื่องหลานั้นถึงถึงแถวหนึ่งก็คงต้องทบทวนนะฮะอีกมีการตรวจสอบจากสื่อสารมากในปัจจุบันถึงจุดหนึ่งก็จะต้องทบทวนแต่ไม่ใช่ทบทวนตะลิดแบบที่ชาวบ้านแสดงความเห็นนะฮคือคนที่รู้ไม่ชี้นะฮะคนที่ชี้ไม่รู้นี่น่าน้อยใจที่สุดก็เหมือนรายการอะไรอะ ของคุณเติมฉักตารมะแกนธรรมอ่ะนั่นเอาคนไม่รู้มาชี้นะะคือแกนธรรมนี่มันเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไ้แล้วมันไม่ต้องหาแล้วหาเนี่หาที่ใจเรามันไม่ใช่เอาไปอภิปรายใช้ความคิดเห็นการเล่ทึกเลื่อนเปื้อนไปแล้วก็ไม่ได้แสดงเห็นถึงภูมิรู้ความสามารถอะไรเท่าไรดอกเพราะว่าคนโดยทั่วไปเนี่ย อันไม่ใช่ไปรู้เรื่องทุกเรื่องถ้าเองก็ไม่ใช่รู้เรื่องทุกเรื่องหรอกเรื่องบางเรื่องเราก็ตอบไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปรู้หมดได้ทุกอย่างเพราะในแนวหลักตรงมีบางทีมันก็ขัดแย้งกับสถานภาพโดยเนื้อหาสาระของความเป็นพระเนี่ย มันจะเป็นผู้เหมือนกับนกเห้นบินไปในอากาศไม่ข้องติดในอารมณ์ทั้งหลายแต่ว่าโดยโครงสร้างทังคมปัจจุบันเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นใคกรกล่าวหาก็ได้จับก็ได้เราก็เป็นอันตรายเยอะเพราะในการการเดินโุกรมจึงกลายเป็นตัวเสริมในการเดินทางไกลเวลานี้วัดกรรมฐานบางวัด่อาจจะเห็นว่าเดินบินดบาตก็ไกลมากเดินก็เป็นชั่วโมง ชั่วโมงสองชั่วโมงเราจะก็อยู่กันในป่าแล้วก็ปธานัคโมโหติอดทนตอ่อความตั้งความเพียรคือในกิจทั้งหลายคือทำงานอะไรก็ตามนะฮะคนเราสุขภาพราลานใะหม่ดีมันก็จะทำให้มีความอดกลัน้นมีความอดทนมีความทนทานในการเบี่ยงไปรกิจตรงนั้น ไม่ว่า จ, จะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ตามแต่มันอยู่ที่ความถนัดด้วยนะฮะความสนใจด้วยอย่างว่าเรื่องบางเรื่องนี่เราทำํำไม่ทนนะแต่ไม่ใช่ไม่ทนทุกคนเพียงแต่ว่าถ้ามรัตเราบางเรื่องเราไม่ทนแตวคนอื่นบางเรื่องเขาก็ไม่ทนหรือทนไม่ได้หมายก็อยู่ที่ความ มีอิทธิบาทมากพอหรือเปล่าในเรื่องเหล่านั้นมีชั้นท่าความพอใจมันมีระยะความเพียร น, นะฮะความเพียรก็เดินไปได้แต่เราพอใจเนะี่ยถ้าไม่พอใจมันก็เดินยากเพราะนั้นก็เมื่อบริหารร่างกายในียบบทเขาเรียกียบทเป็นสม่ำเสมอยืนเดินนั่งนอนในียบทมสม่ําเสมอไม่มากเกินไปเวลานี้เขาบอกมีปัญหานะฮะต่างประเทศเนี่ยได้ข่าวผก่อน ว่านั่งนั่งอยู่กับเก้าอี้นานๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคโอกาสจะเป็นอมัอมาพาตอัมพาตมันเป็นได้ง่ายตพะนก็ควรจ ะ, ะปรับเปลี่ยนในจะบทคือจะอยโยะบทใดจะบทหนึ่งมากเกินไปแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนจะบทสม่ำเสมอโดยการวิธีเดินจงกรมอย่างที่ว่าเนี่ยก็ย่อมเป็นผู้มีความป่วยไข้น้อยโรคภัยไข้เจ็บใน เ, ลเปลี่ยนเปลี่ยนน้อย เวลานี้ก็มีการประลบปัญหาเรื่องสุขภาพปะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคือคนเป็นนักกีฬาที่จริงก็บริหารร่างกายมากกว่าสามัญชนวันดีขึ้นดีขึ้นมาก็กลายเป็นอมพลืดเป็นอมภาดไปก็มีก็มีข่าวให้ได้ยินได้ขวัญอยู่ บ, บ่อยๆทั้งๆที่ก็ก็บริหารร่างกายอยู่แล้วก็การเคลื่อนไหวในร่างกายเนี่ยท่านบอกว่า ยอมย่อาหารที่รับประทานที่ดื่มที่เคี้ยวที่ชิมไว้อย่างดีก็สรุปว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสุขภาพกายแล้วจะเห็นว่ากายกับจิตมันเสริมกันนะถ้ากายกระสับกระส่ายจิตก็สงบไปได้จิตกระสับกระส่ายกายก็ปกติไม่ได้เพราะกายกับจิตกายกับจิตจึงต้องอิงอาศัยซึ่งกันแลกกัน อาารยังบอกว่าสมาธิจิตขนาจงกรมเนี่ยก็ตั้งอยู่ได้นานคือจะหนักแน่นมั่นคงและจะลืมเลือนไปได้ยากเรื่องการทำจิตได้เป็นสมาธิที่จริงไม่ใช่ง่ายนะครับบางทีก็ได้นิดหน่อยแล้วก็นานเรื่องจะแป๊บเกิมารักทีนึ่งการจะรักษาสมาธิไปได้เนี่ย ยิ่งยากกว่าการทำสมาธิหรือว่า น, นึกเหมือนการอาสาพัฒนาปลูกป่าที่เรานิยมทำกันมากเนี่ยเราบรหวาตอนอาสาพัฒนาปลูกป่าแต่ปลูกแล้วรูปเป็นเท้านี่ใครดูแลเนี่ยไม่ได้คิดประเด็นตรงนี้เพเงินทองถูกละลายไปเพราะการปลูกป่านี่เยอะแล้วก็ไม่ได้ต้นไม้ต้นไรอะไรขึ้นมา งการเสด็จจงกลมของพระพุทธเจ้าสูงนี้มันส่วนหนึ่งก็กลายเป็นแบบจบับการใช้ความเพียรพยายามเขาเรียกอารัธบริ โ, โยวิหารติคืออยู่ด้วยความเพียรพยายามก็กลายเป็นเนติแบบแผนให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาตามปฏิบัติตามการเจริญกรรมฐานของ การเสด็จจงกรมของพระพุทธเจ้าแต่เราควรไม่ไม่ควรลืมนะครับพระพุทธเจ้าท่านทำทุกอย่างอย่างพระสามัญกรรมันต้องทำเนี่ยแต่ไม่จะทำเพื่อลดละ ก, กิเลสเพราะไม่มีกิเลสแต่ลดละไม่ทำเพื่อเจริญกุศลเพราะกุศลสมบูรณ์หมดแล้วแต่ก็ทำให้เป็นแบบแกอนุชนรุ่นหลังว่าแม้แต่พระาศาสดาของเราก็สมปฏิบัติอย่างนี้ อย่างรกล้ๆกับที่พระมหาคตปะท่านสมท า, านทุดงเพ่งครัดอยู่สามข้อเนี่ยตลอดชีวิตของท่านทุดงมันเป็นวัดป ฏ, ฏิบัติพิเศษที่ต้องการขัดเกลาจิตของบุคคลขัดเกลากิเลสจากจิตของบุคคลประมหาคัตปะท่านเป็นประหานหลังจาก บ, บวชแล้วได้แปดวั น, น, นแล้วเป็นราห์แล้วแต่ท่านก็เจริญทุดงอยู่ตลอดระยะเวลา กว่าท่านจะไปนิพพานนะะกว่าท่านจะนิพพานนี่ก็นานนันก็แสดงให้เห็นทังว่าเป็นการสร้างจารีตแบบแผนใะนอนุชนรุ่นหลังถือประพฤติปฏิบัติตามการปฏิบัติภารากิจการงานของเราจึงไม่จําเป็นจะต้องลาบบาปบำเพ็ญบุญเสมอไปนะคือท่านที่ลาบาปหมดแล้วบำเพ็ญบุญสมบูรณ์แล้วก็ต้องทําไปตามนั้นเพราะอะไรเพราะว่า เป็นการดําเนินชีวิตตามสายปฏิยาการสายดับนะก็หมายความมาท่านเข้าถึงนิโรธแลกกิเลสของท่านไม่มีแล้วสมุทัยของท่านไม่มีแล้วแต่ท่านมีมรรคกันนิโรธอยู่เพราะการดําเนินชีวิตแน่นั้นก็คือการเจริญไปตามหลักของมรรคแต่ไม่ใช่เพื่อถึงนิโรธเพราะมันถึงแลกเปี่ยงแต่ให้เป็นแบบแผนแก่บุคคลทั้งหลาย แล้วเห็นคุณค่าของการเดินจงกรมนะอย่างวัดในกรุงเทพเราเนี่ยก็เดินจงกรมไปไปประมาคราวหนึ่งสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็เท่าที่ทําได้มันก็มีบริเวณมีลานถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ทําลานยาวหน่อยแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพบางทีมันก็ลําบากนะที่จะเดินจริงๆเขาบอกว่าทลายละยี่สิบซอกอ่ะ อย่างน้อยมันก็ได้ถึงยี่สิบสองได้ถึงยี่สิบว่าก็ยิ่งดีใหญ่เลยก็เดินยาวๆหน่อยก็พลัดเปลี่ยนบางทีก็ยืนอยู่ในสถานที่นั้นยืนสมมติสมมติว่าเราเจริญกรรมฐานเนี่ยเดินเหนื่อยเราก็ยืนให้อารมณ์มณสิกานึ่งกรรมฐานมันไม่จำเป็นว่าจะต้องบังคับด้วยริยาบท วิจิตตั้งมั่นโดยวิธีใดได้ง่ายเนี่ยให้ใช้วิธีนั้นเป็นหลักวิธีอื่นก็กลายเป็นวิธีสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เจริญกรรมฐานดําเนินไปได้ด้วยดีแต่ของพระพภูมิเอพาคจ้าก็ถือว่าเป็นแบบคือทําให้เราดูเป็นตัวยอย่างเพราะขณะพระพุทธเจ้าสัสรู้แล้วเนี่ยดารงพระองค์เป็นผู้ตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาเป็นแบบอย่างให้แก่